ภิกษุใจถูกชักให้เขวไปด้วยธรรมมุทะจัแต่ครั้นถึงคราวเหมาะที่จิตนั้นตั้งแนวสงบสนิทลงได้ในภายในเด่นชัดเป็นสมาธิมักก็เกิดขึ้นแกเ่เธอเธอเสพคุณจเจริญทําให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเธอเสพคุณเจริญทําให้มากซึ่งมักนั้นสังโยชน์ทั้งหลายย่อมถูกละได้อนุสัยทั้งหลาย ย่อมสิ้นไปนั่นก็คือทางออกหรือวิธีปฏิบัติเมื่อจิตเขวเพราะธรรมมุทะจักคำพีปฏิสัมพิธามักอธิบายความหมายว่าเมื่อผู้ปฏิบัติกำลังมณสิการขันห้าอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่โดยไตรลักษ์เกิดมีธรรมมุทะจักคือความฟุ้งซ่านด้วยความสำคัญผิดในธรรมได้แก่อพาสแสงสว่างญาณความอย่างรู้ปีติ ความอิ่มใจปัจสัทธิความสงบเย็นสุขความสุขสบายใจอธิมโม ค, ความปรงใจหรือศรัทธาแก่กล้าปักคาหะความเพียรที่พอดีอุปัฏฐานสติชัดหรือสติกำกับอยู่อุเบขาจิตเรียบเสมอเป็นกลางหรือนิ ก, กันติความติดใจเกิดมีขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัต นึกถึงโอภาสเป็นต้นนั้นว่าเป็นธรรมคือเข้าใจว่าเป็นมรรคผลหรือนิพพานเพราะการนึกไปเช่นนั้นก็จะเกิดความฟุ้งซ่านเป็นอุท ธ, ธัจจะผู้ปฏิบัติมีใจถูกชักให้เขวไปด้วยอุท ธ, ธัจจะแล้วก็จะไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสภาพที่ปรากฏอยู่โดยภาวะเป็นของไม่เที่ยงโดยภาวะที่เป็นทุกข์โดยภาวะที่เป็นอนัตตาดังนั้นจึงเรียกว่า มีจิตถูกชักให้เขยไปด้วยธรรมมุทะจะแต่ครั้นมีเวลาเหมาะที่จิตตั้งแน่วสงบสนิทลงได้ในภายในเด่นชัดเป็นสมาธิมักก็เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัตินั้นได้วิธีปฏิบัติที่จะให้จิตสงบเป็นสมาธิได้ก็คือกำหนดด้วยปัญญารู้เท่าทันฐานะทั้งสิบมีโอภาสเป็นต้นซึ่งเป็นเหตุให้จิตกัดแวงหวั่นไว้เหล่านี้เมื่อรู้เท่าทันแล้ว ก็จะเป็นผู้ฉลาดในธรรมมุธจจะจะไม่ลุ่มหลงคล้อยไปจิตก็จะไม่หวั่นไหวจะบริสุทธิ์ไม่หมองมัวจิตตภาวนาก็จะไม่คลาดไม่เสื่อมเสียคำพีชั้นอัตถกถาเรียกธรรมมุธจจะนี่ว่าวิปัสสโนกิเลสคืออุปกิเลสแห่งวิปัสสนาสิบอย่างซึ่งจะเกิดขึ้นแก่ผู้ได้ตรุณวิปัสสนาคือวิปัสสนาอ่อนๆขอทบทวนอีกครั้งว่า รรมุทัตรหรือทรมุทัตจะก็คือวิปัสสนุกิเลสสิบอย่างอันได้แก่ 1. โอภาษแสงสว่างซึ่งรู้สึกงามเจิดจ้าแผ่ซ่านสว่างสวัยอย่างไม่เคยมีมาก่อน 2. ยงานยอหญิงสราอานนเนนความอย่างรู้เฉียบแหลมคมกล้ารู้สึกเหมือนว่าจะพิจารณาอะไรเป็นไม่มีติดขัด 3. ปีติความเอิบอิ่มใจ รู้สึกเต็มเปี่ยมไปทั่วทั้งตัว 4. ปัดสัตธิความสงบเย็นเกิดความรู้สึกว่าทั้งกายและใจสงบสนิทเบานุ่มนวลคล่องแคล่วแจ่มใสเหลือเกินไม่มีความกรวนกระวายความกระด้างหนักความไม่สบายหรือความรำคาญขัดขืนใดๆเลย 5. สุข มีความสุขที่ประณีตละเอียดอ่อนลึกซึ้งอย่างยิ่งแผ่ไปทั่วทั้งตัว 6. อธิโมกเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าประกอบเข้ากับวิปัสสนาทำให้จิตใจมีความผ่องใสยอย่างเหลือเกิน 7. ปักคาหะความเพียรที่ประกอบกับวิปัสสนาซึ่งพอเหมาะพอดีเดินเรียบไม่หย่อนไม่ตึง 8. อุปัฏฐานสติที่กำกับชัด มั่นคงไม่สั่นไหวจะนึกถึงอะไรก็รู้สึกว่าระลึกได้คล่องแคล่วชัดเจนเหมือนดังเล่นไหลไปถึงหมด 9. อุเบกขาภาวะจิตที่ราบเรียบเที่ยงเป็นกลางในสังขารทั้งปวง 10. นิกันติความพอใจติดใจที่สร้างความอาลัยในวิปัสสนามีอาการสงบสุ ข, ขุม ซึ่งความจริงเป็นปัญหาที่ละเอียดแต่ผู้ปฏิบัติไม่สามารถกำหนดจับได้ว่าเป็นกิเลสภาวะทั้งสิบนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งและไม่เคยเกิดมีไม่เคยประสบมาก่อนจึงชวนให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจผิดว่าตนได้บรรลุมรรคผลแล้วถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็เป็นอันคลาดออกนอกวิปัสสนาวิถีคือพลาดทางวิปัสสนาแล้วก็จะทิ้งกรรมฐานเดิมเสีย นั่งชื่นชมอุปกิเลสของวิปัสนาอยู่นั่นเองวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องคือให้รู้เท่าทันเมื่อมันเกิดขึ้นก็ให้กำหนดพิจารณาด้วยปัญญาว่าโอภาษนี้ยานนี้ปีตินี้ปัสสตินี้สุขนี้อธิโมกชนี้ปักกาหะนี้อุปัฐานนี้อุเบกขานี้หรือนิการตินี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่มันเป็นของไม่เที่ยง เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมจะต้องเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานังนี้เป็นต้นจนมองเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วไม่ตื่นเต้นหวั่นไหวไปกับวิปัสสุกิเลสเหล่านั้นเป็นอันสางอุปกิเลเสได้ดำเนินก้าวหน้าไปในมรรคขาที่ถูกต้องต่อไปจนบรรลุมรรคผล